สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะเชิญชวนทุกท่านที่อยาอ่านพระวจนะของพระเจ้ากับผมอีกสักรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมก็พยายามจะอ่านในพระวจนะของพระเจ้าที่ขึ้นตอนเมื่อกี้นะเอพระเจ้าจะให้ผมแบ่งปันหรือว่านำสิ่งที่ได้อ่านไปมเมื่อกี้ มาเพิ่มเติมยังไงนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยนะครับเรามาอ่านพระรจชนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในหนึ่งทิโมธีนะครับบทที่4นะครับข้อ6ถึงข้อ8นะครับที่หัวข้อว่าผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์นะครับเราจะมาอ่าน ไได้วยกันคนที่รู้ตัวว่าอ่านช้านะครับพยายามอ่านเร็วเร็วหน่อยคนที่รู้ตัวว่าอ่านเร็วนะครับพยายามอ่านรอคนที่อ่านช้าด้วยมันจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งที่โมทีบทที่4นะครับข้อ6กถึข้อ8บอกเราไว้ว่าถ้าท่านจะให้คําแนะนําเหล่านี้แก่พวกพี่น้องเจอไหมครับเปิดเจอไหมครับงั้นผมอ่านล่วงหน้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอแล้อ่านตามมาด้วยกันนะครับ ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์เจริญด้วยคำสอนแห่ความเชื่อและด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้จงฝึกตนในทางธรรมเพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะส่งไว้ซึ่งประโยชน์สําหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคต ด, ด้วยเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะครับเป็นเดือนแห่งการรับใช้และเป็นการเป็นพยานนะครับเป็นเดือนที่เริ่มต้นเข้าสู่หน้าฝนจริงๆนะครับเริ่มต้นเข้าสู่หน้าฝนจริงๆนะครับขณะระยะวันนี้ฝนก็จะตกนะครับดังนั้น พกร่มนะครับพกร่มไว้กับตัวแล้วดูแลสุขภาพนะครับจะได้มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าทุกๆวันอาทิตย์นะครับถ้าวันนี้คริสตจักนะครับต้องการให้พี่น้องที่นั่งในที่นี้นะครับมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าช่วยคิดตามผมนะครับพี่น้องจะรับใช้ในหน้าที่อะไรนะครับลองลองคิดตามเลยครับว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับคือหลังจากที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับอย่าลุกขึ้นจริงๆนะครับ คือเมื่อผมบอกแล้วว่าอยากให้ทุกท่านมีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะเลือกมาอย่างหนึงเลยครับผมก็จะลองให้เราเห็นภาพเนี่ยครับที่อยู่ในโบสถ์นะครับหรือท่านที่เคยเดินไปที่อาคารพระอารามทยาคมก็จะทราบว่ามีบุคลากรด้านไหนด้านไหนบ้างนะครับให้นึกตามนะครับเพราะหลังจาที่ผมบอกว่าถ้าตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยให้เราไปอยู่ตามตําแหน่ง ตามตําแหน่งที่เราตั้งใจจะมีส่วนในการรับใช้นะครับที่นั่งนี้จะว่างไปเลยนะครับอาจจะเราอาจจะบางคนอาจจะมาออก่ออยู่ตรงนี้นครับดันผมลงไปนะครับคืออยากจะมาเป็นผู้เทศนาเองหรืออยากจะมาเป็นผู้ควบคุมเสียงเครื่องเสียงอยากจะมาอยู่ในทีมนำมัสการอยากจะเป็นผู้ต้อนรับนะครับให้เรานึกตามนะครับว่าผมก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีสักวันหนึ่งนะครับที่ทุกท่านจะมีโอกาสได้มา ร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยนะครับแต่ให้เป็นสิ่งที่ท่านถนัดท่านมีความสามารถนะครับท่านมีของประทานนะครับเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีเรามีความสุขใจครับแล้วเราอยากกระทำนะครับผมอยากให้เราลองนึกตามนะครับเพราะว่าคริสเตียนนะครับกับการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับถ้าเมื่อตอนเช้าที่ ทาอาจารย์ศึกษาดิเทศนาก็ได้พูดถึงจุดนี้นะครับเป็นเหมือนว่าเป็นสิทธิพิเศษคริสเตียนที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเหมือนได้มีสิทธิพิเศษนะครับเพราะว่าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะครับสําหรับบทเพลงที่มีโอกาสได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือนเตรียมกันมายังไงไม่ทราบครับคือเป็นเพลงที่ผมคิดว่าเป็นเพลงที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทํากับชีวิตมนุษย์ทํากับชีวิตเรานะครับทํากับชีวิตเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถตอบแทน พระคุณพระเจ้าได้นะครับก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความสำนึกแล้วแต่ใจที่ซาบซึ้งนะครับใครที่รู้สึกเห็นมากก็อยากจะเต็มที่กับพระเจ้าครับก็อยากจะรับใช้แบบสุดใจขาติน้นคนที่อาจจะเพิ่งรู้จักกับพระเจ้านะครับก็อาจจะชิมลางดูก่อนนะครับแต่ทุกคนนะครับสามารถมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าแลวจะ ได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะครับไม่เพียงเท่านั้นครับคริสเตียนกับการเป็นพยานก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนะครับก่อนที่เรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยเราเดําเนินชีวิตยังไงนะครับและเมื่อเรามาพบกับพระเจ้าแล้วมารู้จักกับพระเจ้าแล้วชีวิตเราเป็นยังไงผมคิดว่าเราตัวเราอาจจะไม่สามารถบอกได้แต่คนรอบข้างนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับ จะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะครับเพราะการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตดีหรือไม่ดีครับลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลงนะครับเรากำลังเป็นพยานนะครับถึงชีวิตเราครับให้กับผู้คนรอบข้างได้เห็นและส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผู้คนเนี่ยเขามากาักจะไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจากเราโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อครับแต่สิ่งที่เขาเห็นในตัวเรานะ่ะจะเป็นตัวที่บ่งบอกนะครับบ่งบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินอยู่หรือเปล่าเราอาจจะพูดได้ว่า พระเจ้าดีกับเรายัางไงนะครับพระเจ้าเคยช่วยเราอย่างไงนะครับแต่คนที่ยังไม่มีโอกาส ร, รู้จักกับพระเจ้าครับเขายังไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาไม่สามารถนึกภาพตามเราได้นะครับดังนั้นเราเหมือนกับจคงจะไม่มีน้ำหนักเหมือนกับเวลาที่เขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเราครับและเห็นการที่เรามีน้ำใจ ยินดีที่จะเสียสละมีน้ำใจโอบอ้อมอารีอะไรที่เป็นการแสดงออกมาจากชีวิตเราครับผมว่าสิ่งนั้นยังสามารถจับต้องได้มากกว่าคำพูดของเราด้วยซ้าไปนะรเราจรึงควรจะตระหนักนะครับว่าชีวิตของเราความประพฤติและการการะทาของเรานั้นสำคัญมากนะครับเบื้องหลังพระอภพตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลกล่าวเตือนที่โมธีครับในเรื่องผู้สอนเทียมเทส เมื่อพูดถึงผู้สอนเทียมเทสนะครับเมื่อเมื่อเช้าอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่งได้เอาหนังสือตรงที่วางใบปลิวด้านหลังนะครับออกไปสามเล่มเป็นหนังสือจากเซเวนเดนะครับจากซวนเดนะครับคนที่เอามาวางก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ถ้าอ่านหนังสือรู้เท่าทันนะครับ เราจะรู้เลยว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไปคล้องเกี่ยวได้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เพิ่งเริ่มเดินกับพระเจ้านะครับยังมีความเชื่อที่ไม่มั่นคงนะครับเพราะในคริสตจักรของเราครับมีทั้งนักประกาศนะครับมีทั้งผู้ที่ร้อนรนในการรับใช้พระเจ้านะครับเขา ต้องออกไปจากคริดจากและไปอยู่ในรัฐที่ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากทางการนะครับดังนั้นนะครับผมคิดว่าในสมัยที่พระมพีที่อาจารย์เปาโลกําลังเตือนที่โมเทีครับกับในสมัยนี้ไม่แตกต่างกันเท่าใดนักในสมัยนี้อาจจะมีรัฐที่อะไรมากมายเกิดมาแยบยนจนเรา เหมือนกับเห็นคงจากเป็นดอกบัวนะครับดังนั้นเองในสมัยนั้นบางคนจึงสามารถละทิ้งความเชื่อและไปรับเอาคําสอนเทียมเท็จเหล่านั้นได้นะครับและก็ยังมีบางคนนะครับที่เขาเนื่องจากเขาเห็นทีมโมทีซึ่งเป็นคนหนุม่มไฟแรงนะครับอายุยังน้อยนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นคริสเตียนในเมืองเอเฟซัสหรือคริสเตียนคริสจักเอเฟซัสเนี่ย เขาก็ยังไม่ยังไม่เชื่อในสิ่งที่เปาโลสอนในสิ่งที่เปาโลพูดแต่สิ่งหนึ่งก็คืออาจารย์เปาโลหนุนใจทิโมธีครับอาจารย์เปาโลสอนทิโมธียังไงอาจารย์เปาโลจะหนุนใจให้ทิโมธีนำสิ่งนั้นไปสอนผู้อื่นอย่างนั้นนะครับอาจารย์เปาโลตั้งใจจะให้ทิโมธีเป็นผู้รับใช้ที่ดีทิโมธีก็ตั้งใจจะให้สมาชิกที่เขาดูแลเนี่ยเป็นคริสเตียนที่ดี ไม่ต่างกันกับในเวลานี้นะครับผมในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ครับผมก็ได้รับคำการสอนจากพระวจนะในตอนนี้ทุกท่านที่นั่งในที่นี้ก็จะได้รับคาสอนนะครับซึ่งแตกต่างกันไปนะครับแต่เราสามารถนาไปใช้เพิ่มความเชื่อของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับบายวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับจากคาสอนของอาจารย์เปาโลที่มีต่อทิโมธี เรามาดูลักษณะของผู้รับใช้ที่ดีนะครับหรือคริสเตียนที่ดีนะครับว่าเป็นยังเป็นยังไงนะครับจากหัวข้อนักธรรมนักธรรมแต่ก่อนที่เราจะ ม, มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งนึงครับพระเจ้าที่รักขอบคุณพระเจ้าสำหรับสายฝนเย็นเย็นชำํำขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรมากมายพระคุณความรักของพระองค์ที่ มีต่อชีวิตของเราทุกๆคนขอพระองค์ทรงโปรดนำเราในเวลานี้ให้สิ่งที่เรามีการได้เรียนรู้ไปด้วยการนั้นจะสามารถถูกนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราแต่ละคนให้เหมาะสมเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์จึงขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกราบทูลใน น, นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนลักษณะของผู้รับใช้ที่ดีหรือคริสเตียนที่ดีนะครับประการแรกคือเขาจะเป็นนักธรรมนักนักธรรมนะครับธรรมคำนี้นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหนึ่งที่โมธีบทที่สข้อ6นะครับตอนต้น บอกไว้ว่าถ้าท่านจะให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พวกพี่น้องท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์เจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อนักธรรมในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพศ 2,542 มีความหมายว่าผู้รู้ธรรมนะครับผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้สำเร็จหลักสูตรธรรมแต่ถ้าในความหมายของพระธรรมพีตอนนี้ หมายถึงผู้จเจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อนักธรรมในที่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะเอาใจใส่ในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งในข้อ13นะครับอาจารย์เปาโลได้สั่งทิโมธีได้บอกว่าจงไฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาและในการสั่งสอนสาเหตุที่อาจารย์เปาโลต้องเน้นย้านักย้ำหนักทิโมธีในเวลานั้นก็เพราะว่า ในสมัยนั้นมีอย่างที่ผมบอกไปตอนต้ น, นครับคือมีผู้สอนเทมเทสเข้ามาในคิสจักนะครับและไม่เพียงเท่านั้นเขาก็ยังมาสอนนะครับสอนในสิ่งที่มันคล้ายกับสิ่งที่อาจารย์เปโโรกับทีโมทีสอนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่มั่นคงในความเชื่อเนี่ยก็อาจจะยังแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกนะ บ, บางคนถึงได้หลงไปนะครับหลงออกไปจากคิสจกเลยครับนะครับ แต่ในสรุป ด, ดีบทที่หนึ่งรอยสิบเก้าข้อสิบเอ็ดได้บอกเราไว้ว่าข้าพระองค์ได้สะสมพระดํำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ถามคําถามอีกคำถามนะครับในที่นี้ใครเป็นคนขี้ลืมบ้างครับขี้ลืมครับขอบคุณครับสําหรับคนขี้ลืมครับสําหรับคนที่มีอาการลืมนะครับแล้วก็จะมีอาการ ที่ตามมานะครับเป็นมีอาการหลงลืมบางครั้งก็จะเลอะเลือนนะครับอาจกลายเป็นเขาเรียกว่าอาการสูญเสียความจำระยะสั้ น, นครับและในที่สุดแล้วจะสามารถเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดครับไม่ช้าก็เร็วนะครับแต่ว่าเป็นข่าวดีครับเมื่อดรเบนจามินมาสผู้เชี่ยวชาญโรคอัลไซเมอร์นะครับได้ค้นพบว่าคนไข้ ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับถ้าเขาสมองเขาผ่านการใช้งานหรือว่าเคยชินกับในการทำอะไรบางอย่างที่ซ้ำๆนะครับทำบ่อยๆนะครับทำอยู่ทุกวันนะครับสิ่งนี้จะเป็นผลดีกับคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคนี้นะครับเช่นการฟังเพลงและร้องตามครับแต่ว่าลุงขึ้นไม่ใช่ฟังเพลง อื น, นะครับก็คือฟังเพลงนี้อีกละร้องตามวันถัดไปก็ฟังเพลงนี้ร้องตามในที่สุดเมื่อเขายินเสียงเพลงนี้นะครับเขาจะร้องออกมาเลยครับไม่ต้องดูเนื้อเขาก็ร้องได้นะครับเป็นสิ่งที่พูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าการที่เหมือนกับการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานของพวกเราครับการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การร้องเพลงนมัสการนะครับถ้าเราเอาใจใส่นะครับ ถ้าเรามีวินัยฝ่ายวิญญาณครับทำอย่างสม่าเสมอจะทำให้พระคัมภีร์ที่เราอ่านทุกวันนี้นครับคำอธิษฐานที่เราบอกกับพระเจ้าในแต่ละครั้งและเพลงนมัสการที่เราร้องจะฝังอยู่ในความคิดจิตใจของเราครับและเราจะสามารถนำพระวจนะของพระเจ้านำคำอธิษฐา น, นครับนำเนื้อเพลงที่ ผู้แต่งแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กับพระเจ้าครับเขาแต่งเพลงบ่งบอกได้เลยว่าเพลงนี้เขาแต่งเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าเพลงนี้เขาแต่งเพื่อที่จะขอบคุณพระเจ้าที่ได้ช่วยเขาเพลงแต่ละเพลงนี้ผู้เขียนผู้แต่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและเพลงนั้นก็ได้มหนุนใจพวกเรานะครับดังนั้นการเอาใจใส่พระาจนะของพระเจ้านะครับหรือการสะสมพระรมอย่างที่ในสุุดีบทที่1 1ึ่บอกนะครับ จะสามารถป้องกันเราจากการทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการทําบาปนะครับจะสามารถเสริมกำลังเราคนระับในยามที่เรารู้สึกอ่อนแอหรือท้อถอยสามารถที่จะนำย่างเท้าเราในการดาเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับและยังสามารถที่จะสอนเราให้เชื่อฟังถ้าเรามีใจเชื่อฟังนะครับดังนั้น เมื่อเราเริ่มสังเกตว่าตัวเรานะครับเริ่มคนข้างๆบอกว่าเริ่มหลงๆ ล, ลืมๆนะครับให้เรานึกถึงสิ่งที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันการอธิษฐานทุกวันเนี่ยนะครับหรือการร้องเพลงนมัสการเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะพังผูกออกมาในช่วงเวลาที่ เราเหมือนไม่มีใครนะครับแม้ว่าความคิดของเรานะครับอาจจะไม่แบบบูดปลาดนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเมื่อเราทําเป็นประจํานะครับทําอย่างสม่ําเสมอ น, นะครับมันจะฝังอยู่ในตัวเราบางครั้งนี้เราจะสามารถหนุนใจผู้อื่นได้นะครับเราจะสามารถหนุนใจผู้อื่นได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับ นักธรรมนะครับนักธรรมนอกจากจะเอาใจใส่ในพระวจนะแล้วยังจะสอนพระวจนะอย่างถูกต้องด้วยปรากฏอยู่ในหนึ่งทิโมทีที่4ี่ข้อ7และข้อ8ดนะครับบอกเราไว้ว่าอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้จงฝึกตนในทางธรรมเพราะถ้าการฝึกทางกายนะั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง อาจารย์เปาโลได้แนะนำทิโมธีนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทิโมธีเนี่ยอยู่ท่ามกลางปัญหาของผู้สอนแทสนะครับมีมีเข้ามาหาในคิดสักเอเฟซัสเนี่ยหลายรูปแบบครับแต่อาจารย์เปาโลให้ทิโมธีครับตั้งสติหนุนใจให้ทิโมธีว่าเขาต้องทำหน้าที่ผู้เลี้ยงนะครับผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยปกป้องคนในความดูแล คนที่อยู่ในความดูแลเขาหรือลูกแก่เขานะครับด้วยคำสอนที่ถูกต้องนะครับอ า, อาจารย์เปา โ, โลจึงพยายามที่จะถ่ายทอดนะครับพระเจ้าของพระเจ้าให้ทิโมธีถึงขนาดที่ว่าในภาษาเดิมนะภาษากรีกเนี่ยบอกว่าเหมือนกับไม่อยากจะให้อยากจะให้ทิโมธีเนี่ยถ่ายทอดแบบคือถ้าอาจารย์เปาโลยกมาทั้งอย่างนี้ให้ทิโมธียกไปให้ สมาชิกทั้งอย่างนั้นเลยนะครับคือแบบว่าอย่าให้ตกหล่นไปแม้แต่สิ่งเดียวคําเดียวนะครับเพราะว่ามีความสําคัญมากนะครับในสองทิโมธีบทที่สองข้อสองบอกไว้ว่าจงมอบคําสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยาหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเมื่อกี้ที่ผมมีโอกาสได้ถามทุกท่านว่าถ้า จะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าที่คิดจากวัฒนาครับมีใครที่เลือกว่าจะเป็นผู้สอนครับมีครับสมมุติครับสมมุติมีไหครับมีใครที่ตัดสินใจว่าอยากจะมาช่วยรับใช้ในการสอนสอนพระเจนะพระเจ้าสอนเด็กละวีมีครับไม่มีเลยครับไม่เป็นไรครับมีครับขอบคุณพระเจ้าครับไว้ครั้งหน้าผมจะถามใหม่นะครับถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้มีโอกาสเป็นครูสอนในชั้นระีวราระศึกษาครับแต่ในการดำเนินชีวิตจริงของเราครับเราจะต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในการที่เราจะเป็นผู้สอน <c oughs> การสอนลูกสอนภรรยาหรือสามีในครอบครัวนะครับ การสอนลูกน้องหรือสอนผู้ใต้บังคับบัญชาในที่ทำงานหรืออาจจะมีการสอนค น, นอื่นๆนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราครับคําสอนที่มีหลักการหรือมีรากฐานที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าครับรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีตามที่สองทิโมธีอยู่ที่สามข้อสิหบอกไว้นะว่าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรมเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการนำพระวจนะของเจ้าไปใช้เพื่อที่จะสอนเรียนหนุนใจผู้อื่ น, นครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องช่วยผมนะครับให้เรามีประสบการณ์เรียนรู้ไปได้วยกันนะครับเราจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราฟังมาสามารถนำไปใช้ได้ครับสามารถตอบสนองต่อพระเจ้าได้ครับ ลักษณะของผู้รับใช้ที่ดีหรือคริสเตียนที่ดีนะครับนอกจากจะเป็นนักธรรมแล้วยังจะเป็นนักธรรมหรือนักปฏิบัติด้วยนะครับปรากฏอยู่ในหนึ่งทิโมธีบทที่สี่ข้อหกตอนท้ายซึ่งกล่าวไว้ว่าผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์เจริญด้วยคําสอนแห่งความเชื่อแต่ด้วยหลักธรรมมันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นเมื่อเรียนรู้ในสิ่งที่พระชนะ สอนแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องนำสิ่งที่เรียนรู้ในแต่และครั้งนะครับไปใช้ในชีวิตของเรานะครับนักคิดกับนักธรรมนะครับดูเหมือนว่าจะอยู่ตรงข้ามกันเพราะน้อยคนที่จะทั้งคิดด้วยทั้งธรรมด้วยนะครับถ้าถามคนส่วนใหญ่นะครับว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างนักคิดกับนักธรรมจะเลือกอะไร พี่น้องจะเลือกอะไรครับเลือกจะเป็นนักคิดหรือจะเป็นนัก ร, รมครับไม่เป็นไรครับตอบในใจนครับคนส่วนใหญ่มักจะเลือกการเป็นนักคิดหรือเกรนะครับมากกว่านักธรรมดูเอรเพราะนักคิดมีแนวโน้มที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวคนคิดเช่นนั้นนะครับ แต่อย่าลืมว่าปีหนึ่งนะครับมีแค่365วันนะครับเท่ากับว่าเราใช้เวลาคิดวิเคราะห์แล้ววางแผนต่างๆครับวางแผนวิเคราะห์แผนนะครับสรุปแผนทำตัวเป็นนักคิดนะครับได้จริงๆไม่ถึง 10% นะครับโดยที่เหลือเวลาที่เหลือ 90% นเนี่ย อยู่ในมือของนักธรรมทั้งนั้นนะครับเป็นบทเรียนให้กับเรานะครับว่านักธรรมนะครับนักธรรมหรือนักปฏิบัตินะครับเขาจะพิสูจน์คำสอนด้วยการกระทาเห็นได้จากในหนึ่งที่โมธีบทที่4ี่ข้อิที่บอกไว้ว่าจงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤตในความรัก ในความเชื่อและในความบริสุทธิ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ผมรับใช้ที่คริดสร้างวัฒนานะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปทำํำภารกิจการประกาศและสังคมสงเคราะห์กับพี่น้องสมาชิกหลายต่อหลายครั้งนะครับผมมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งครับว่าชีวิตของคนที่ไปร่วมภารกิจกับผมชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับ ที่เป็นแบบอย่างแบบที่อาจารย์เปาโลโบอกกับทิโมธีในข้อสิบสองว่าจงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทั้งปวงนะครับได้เห็นมุมมองนั้นจากสมาชิกที่ไปร่วมพันธกิจด้วยกันครับพี่น้องที่เป็นแบบอย่างในคำพูดนะครับเขาก็จะระมัดระวังในสิ่งที่ตนเองพูดนะครับเขาจะหลีกเลี่ยงคำพูดที่เป็นแง่ลบเขาจะพูดในสิ่งที่ หนุนใจเป็นสิ่งที่เสริมสร้างนะครับเป็นสิ่งที่แง่บวกนะครับและที่สำคัญคือพูดในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นแบบอย่างในการกระทำนะครับเขาก็จะระมัดระวังในความประพฤติของเขานะครับเขาจะคิดก่อนที่เขาจะทำอะไรนะครับและเขาก็จะ พยายามที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับทำในสิ่งที่เมื่อคนเห็นแล้วเนี่ยจะสามารถยิ้มได้ครับจะไม่สร้างความขุ่นข้องหมองใจกับคนรอบข้างนะส่วนพี่น้องที่เป็นแบบอย่างในความรักนะครับเขาจะเชื่อฟังโดยเฉพาะคำสอนที่พระเยซูสอนให้รักพระเจ้าเลยรักเพื่อนบ้านนะครับเขาจะสัาแดงความรักให้กับผู้คนบางครั้งเป็นเด็กที่มอมแมมนะครับ แต่เขาสามารถทําให้สิ่งที่เขาสัมเดงออกไปนะครับทําให้ผู้อื่นเนี่ยเด็กๆผู้นะั้นสามารถสัมผัสได้ว่าคนนี้มีความรักกับเขาจริงๆนะครับอันนี้คือแบบอย่างที่ถูกสัมเดงออกมานะครับเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นแบบอย่างในความเชื่อเขาก็จะพยายามสัมเดงสิ่งที่เขาเชื่อนะครับเชื่อไงเขาจะสัมเดงออกมาทางการกระทำํำนะครับ และที่สําคัญในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็คือคนที่เป็นแบบอย่างในความบริสุทธิ์นะครับเขาจะรักษาตัวนะครับอยู่ในศีลในธรรมนะครับอยู่ในคําสอนพระชนะว่างไงครับเขาก็จะดําเนินตามนั้นนะครับดังนั้นวัยรุ่นที่รักษาความบริสุทธิ์นะครับเขาจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง จะทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเขาคําสอนของอาจารย์เปาโลจึงไม่ไม่ได้เป็นคําสอนที่มีให้แก่ทิโมธีหรือให้ผู้นาผู้รับใช้หรือคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่คําสอนของอาจารย์เปาโลที่ที่มีครับสหรับทุกคนที่ต้องการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง มีชีวิตทั้งในคำพูดในความประพฤติในความรักความเชื่อความบริสุทธิ์นะครับเพราะสิ่งนี้นะครับจะเป็นวิธีที่เราสามารถที่จะเป็นพยานกับผู้อื่นนะครับด้วยการดาเนินชีวิตประจำวันของเรานะครับนักธรรมนอกจากจะพิสูจน์คำสอนด้วยการกระทาแล้วเขาจะทำดี สอดคล้องกับคำพูดด้วยในทิตัสบทที่2ข้อ7บอกเราไว้ว่าท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่งเปาโลนะครับกาชับทิโมธีให้มีชีวิตที่สอดคล้องกันระหว่างการกระทำกับคำพูดนะครับหลายครั้งนะครับในการดาเนินชีวิตของเราครับอาจจะขัดแย้งกันใช่ครับวันอาทิตย์ ที่คริสตจักรแตกต่างจากวันธรรมดาที่อยู่กับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับผมอยากจะจบความเทศนาด้วยเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับโบสถ์ที่เมืองกะลังนะครับประเทศมาเลเซียนะครับเขาติดป้ายต้อนรับนะครับสาหรับ ผู้ที่มาเยือนมาฮ้างก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับที่อยากจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมชมไปถ่ายรูปแล้วติดป้ายเหนืออาคารแห่งหนึ่งว่าที่หลบภัยสำหรับผู้แบกภาระหนักนครับเช่นเดียวกั น, นครับถ้าพี่น้องต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเส้นถนนสุขุมวิทเนี่ยนะครับเมื่อเราผ่านซอยหกครับเราคงเคยเห็นป้าย ขนาดใหญ่ที่มีข้อพันธีติดไว้ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนะครับถึงแม้ว่าคิดจากวัฒนานะครับจะไม่มีป้ายเชิญชวนบรรดาคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักให้เข้ามานะครับแต่ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นะครับมี ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนคริสต์เราครับประมาณหนึ่งถึงสองคนบางสัปดาห์ก็มีมากกว่านั้นนะครับและที่สําคัญคือเป็นคนที่การในช่องที่ไม่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับเขายัางไม่รู้จักพระเจ้าเลยครับคริสตงเราไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่ในซอยนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนที่แสวงหาที่ เดินมาสุดซอยครับเข้ามาเพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างและเช่นเดียวกันครับเราทุกคนเราสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับเราสามารถสัมแดงสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในชีวิตของเราครับเราสามารถสัมแดงพระฉายาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราครับ พระพระองค์สร้างเรามาตัวแล้วแต่เป็นสิ่งดีครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยพี่น้องและช่วยผมนะครับสําหรับการเรียนรู้ในบ่ายวันนี้ในลักษณะของผู้รับใช้ที่ดีหรือลักษณะของคริสเตียนที่ดีประการแรกเขาเป็นนักธรรมนะครับเขาจะเอาใจใส่ในพระวจนะของพระเจ้าและเขาจะสอนพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องประการที่สอง ถ้าเขาเป็นนักธรรมเขาจะพิสูจน์คำสอนด้วยการกระทาและเขาจะทำดีสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดขอพระเจ้าอวยพรครับ